เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าได้เทียบกับพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องไฟที่ได้ทรงแสดงแก่คนอื่นๆเช่นอากิสูที่ทรงแสดงแก่อุคตาสรีราพรามเป็นต้นในกรณีของอากิสูทอุคตาสรีราพรามเป็นพราหมณ์ครองเรือนคราวหนึ่งพราหมณ์ผู้นี้ตรัเตรียมพิธีบูชายันได้สั่งให้จัดโคและลูกโคตัวผู้ตัวเมีย แพะและแกะอย่างละห้าร้อยตัวมาผูกไว้กับเสาหลักบูชายันเตรียมพร้อมที่จะบูชายันพรามรู้สึกปีติยินดีในบุญกุศลที่ตนจะได้จากการบูชายันตามแบบของพรามจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าตามที่เขาได้เรียนรู้มาการก่อกองไฟบูชายันและการปักเสาหลักบูชามีผลมีอ น, นิสง์มาก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 ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไฟเจ็อย่างที่ควรได้รับการปฏิบัติเอาใจใส่ต่างๆกันโดยยึดเอาความรู้สึกและถ้อยคำต่างๆของพราหมณ์มาทรงแสดงในแนวใหม่ไฟเจ็ดอย่างนั้นแบ่งเป็นสประเภทดังนี้ 1. ไฟที่ควรดับหรือควรหลีกเว้นสามอย่างคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ